ทำหน้าที่ที่จำเป็นที่ไม่มีผู้อื่นทำแทนได้นั่นก็คือการทานุบำรุงดูแลรักษาจิตใจซึ่งเป็นเหมือนกับร่างกายที่เราต้องปฏิบัติคือร่างกายต้องการอาหารต้องการเสื้อผ้าไว้ใส่ต้องการ การชําระให้สะอาดเช่นอาบน้ําอาบท่าหวีผ้าหวีผม <c oughs> จันใดใจของเราก็ต้องการอาหารเพื่อให้มีความอิ่มมีความพอต้องการเสื้อผ้าเพื่อให้สวยงามต้องการ <c oughs> การชําระสิ่งที่สกปรกที่มีอยู่ในใจ ให้บํบวางไปและให้หมดไปในที่สุดหน้าที่นี้เป็นหน้าที่ที่ผู้อื่นทําแทนเราไม่ได้คนอื่นกินอาหารแทนเราไม่ได้คนอื่นแต่งตัวให้เราไม่ได้คนอื่นอาบน้ำอาบท่าให้เราไม่ได้ยกเว้นในกรณีที่เราไม่สามารถทําด้วยตัวเองได้คนอื่นเขาก็ต้อง ทำแทนเราแต่ใจหน้าที่ทางด้านจิตใจนี้ไม่มีใครทำแทนได้ไม่ว่าจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่เราต้องเป็นผู้ทำเองถ้าเราทำดูแลจิตใจของเราใจของเราก็จะอยู่อย่างสุขอย่างสบายไม่มีความทุกข์ความวุ่นวายมารุมเราจิตใจไม่มีปัญหา ต่างๆไม่มีความเศร้าโศกเสียใจนี่คือหน้าที่ของเราและเมื่อท่านได้มาวัดในวันนี้ท่านก็ได้ทำหน้าที่ให้อาหารกับจิตใจในเบื้องต้นด้วยการทำบุญให้ทานเช่นถวายสังฆทานตักบาตร ถวายปัจจัยเงินทองเพื่อเป็นค่าน้ําค่าไฟเพื่อเป็นค่าดูแลรักษาพระอารามนี่เรียกว่าเป็นการให้อาหารกับจิตใจเพราะเมื่อเราได้ทําแล้วจะทําให้ใจของเรามีความอิ่มเอิบใจมีความสุขมีความภูมิใจมีความพอใจนี่เป็นการดูแล ในในลักษณะหนึ่งซึ่งมีหลายลักษณะด้วยกันนอกจากการทำบุญถอยทานแล้วการตอบแทนบุญคุณท่านผู้ที่มีพระคุณกับเราช่วยเหลือดูแลท่านเช่นบิดามารดาครูบาอาจารย์ในยามที่ท่านเจ็บไข้ได้ป่วยหรือในยามที่ท่านแก่ชราภาพ ไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้ก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะดูแลช่วยเหลือให้ท่านอยู่อย่างสุขอย่างสบายหรือถ้าท่านต้องการสิ่งหนึ่งสิ่งใดต้องการที่จะไปไหนมาไหนเราก็ควรยินดีรับใช้ท่านเสมอเพราะการได้รับใช้ผู้มีพระคุณเช่นบิดามารดา ก็เปรียบเหมือนกับการได้รับใช้พระอารหันต์พาะปิดามารดานี่พ่ะพุทธเจ้าทรงเปรียบไว้ว่าเป็นเหมือนพระอารหันต์ของลูกๆทําบุญกับพ่อกับแม่ก็เท่ากับได้ทําบุญกับพระอารหันต์ดังนั้นในเบื้องต้นเราต้องทําบุญกับพระอารหันต์ในบ้านของเราก่อนอย่าไปหลงหาพระอารหันต์ที่อยู่นอกบ้าน เรามีพระอระหันต์พระที่วิเศษพระที่มีพระคุณอันประเสริฐกับตัวเราเราควรจะทําบุญกับท่านก่อนแล้วค่อยออกไปทําบุญกับพระอระหันต์นอกบ้านพระอรหันต์ในบ้านท่านก็มีความสําคัญพระอรหันต์นอกบ้านท่านก็มีความสําคัญเหมือนกันแต่แตกต่างกันพระอรหันต์ในบ้านคือพ่อแม่เรา ให้ชีวิตเรามาเลี้ยงดูเรามาให้อยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้ถ้าไม่ถ้าท่านไม่ให้กําเนิดหรือเมื่อกําเนิดแล้วไม่เลี้ยงดูจับไปกดน้ําจับใส่ถุงโยนทิ้งถังขยะเราก็จะไม่เป็นอย่างที่เราเป็นอยู่ได้ในทุกวันนี้ <Okay. S 1> บุญคุณของคุณพ่อคุณแม่จึง มีมากกว่าผู้อื่นยกเว้นพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์เท่านั้นที่ท่านจะมีบุญมีคุณที่สูงกว่ามากกว่าพพ่อแม่ให้เราได้เพียงแต่ชีวิตนี้แต่พระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์ให้เราหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ให้เราพ้นทุกได้ พ่อแม่ช่วยเราไม่ได้ทางด้านเรื่องของการหลุดพ้นจากความทุกข์นอกจากพ่อแม่เป็นพระ อ, อรหันต์หรือเป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นเช่นพระพุทธเจ้าได้ช่วยเหลือให้ลูกคือพระราหุลได้บวชได้บรรลุเป็นพระ อ, อรหันต์นอกจากนั้นก็ยังได้สอนให้พระราชบิดาได้บรรลุเป็นพระ อ, อรหันต์สอนพระ พุทธมารดาที่ได้ส่งล่วงลับไปแล้วเจดวันหลังจากที่พระพุทธเจ้าส่งประสูติก็ยังสามารถส่งกระแสจิตไปบนสวรรค์ที่พระพุทธมารดาสถิตยอยู่และสามารถสั่งสอนจนพระมารดาได้บรรลุเป็นพระโสดาบัน เป็นพระโสดาบันก็เท่ากับได้หลุดพ้นจากการไปเกิดในอบายถึงแม้จะยังไม่หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแต่พบชาติที่เหลืออยู่จะเป็นพบชาติที่ดีคืออยู่ในสุขติเป็นมนุษย์เป็นเทพไม่ต้องไปเกิดใช้กรรมในอบายถึงแม้ว่าในอดีตจะเคยทำบาปทำกรรมมามากน้อยเพียงไรก็ตาม แต่เมื่อได้บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วก็จะไม่ต้องไปใช้กรรมในอบายไม่ต้องไปตกนรกไม่ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานไม่ต้องไปเกิดเป็นเปรตอีกต่อไป <c oughs> นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สามารถมอบให้กับสัตว์โลกทั้งหลายเช่นพวกเราได้พ่อแม่ให้เราไม่ได้ดังนั้นพระคุณของพระพุทธเจ้า ของพระธรรมและของพระอริยสงฆ์จงสูงกว่าพระคุณของบิดามารดาแต่เราก็ต้องอาศัยพระคุณของบิดามารดาที่ให้กำเนิดเราเพราะถ้าเราไม่ได้กำเนิดมาเป็นมนุษย์แล้วไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเราก็จะไม่มีโอกาสที่จะสามารถปฏิบัติทำให้เราหลุดพ้น จากความทุกข์ทั้งหลายได้หลุดพ้นจากการเยน่ายตายเกิดได้ดังนั้นการที่เราได้ทดแทนได้บูชาพระคุณของผู้ที่มีพระคุณทั้งหลายจึงเป็นสิ่งที่น่ายกย่องสรรเสริญเพราะเป็นประโยชน์กับผู้ที่บูชาส่วนผู้ที่รับการบูชานั้นท่านก็อยู่ในฐานะที่ รับก็ได้ไม่รับก็ได้สำหรับพระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์เพราะท่านได้ถึงประโยชน์สูงสุดแล้วแต่สำหรับบิดามารดาท่านก็ยังต้องอาศัยเราอยู่ในยามที่ท่านเจ็บไข้ได้ป่วยในยามที่ท่านชราภาพหรือในอยามที่ท่านล่วงลับไปแล้วเราก็ยังสามารถทดแทนบุญคุณให้กับท่านได้ด้วยการทำบุญถวายทาน แล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี้ไปให้กับท่านเผื่อท่านอยู่ในฐานะที่รอรับอยู่ท่านก็จะได้รับหรือถ้าเราอยากจะทดแทนบุญคุณของท่านให้ได้อย่างสูงสุดเราก็ต้องสอนท่านหรือทำทำอย่างไรก็ได้ที่ทำให้ท่านบรรลุเป็นพร ะ, ะโสดาบันขึ้นมา ให้ท่านมีความมั่นคงมีความเชื่ออย่างแน่วแน่ต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่สงสัยว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีจริงหรือไม่ให้ท่านเชื่อในหลักกรรมยึดมั่นในหลักกรรมเชื่อว่าทำดีได้ดีทำเชื่อได้เชื่อให้ท่านยึดมั่นอยู่ในศีลห้าให้ท่านมีการ ทำบุญให้ทานอยู่อย่างสม่ำเสมอเป็นเป็นนิสัยถ้าเราสามารถทำอย่างนี้ได้เราก็ได้ทดแทนบุญบุญคุณของท่านอย่างเต็มที่และเราก็จะได้รับอนิสงค์คือเราจะมีความสุขใจมีความอิ่มเอิบใจมีความภูมิใจทุกครั้งที่เราคิดถึงพ่อแม่เราจะมีความสุข เพราะเราได้ทําสิ่งที่ดีที่งามให้กับท่านให้ท่านหลุดจากการที่จะต้องไปเวียนว่ายตายเกิดในอบายและท่านไม่ช้าก็เร็วไม่เกินเจ็ดชาก็จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายได้อย่างสิ้นเชิงเพราะท่านจะได้บรรลุเป็นพระอรหรันต์นี่คือการ ให้อาหารกับจิตใจของเราคือการทำความดีสงเคราะห์อนุเคราะห์ผู้ผู้อื่นถ้าพอมีอะไรที่เราจะช่วยเหลือได้ก็ช่วยกันไปมีอะไรพอที่จะให้ได้ก็ให้กันไปไม่ต้องแยกแยะว่าเป็นพระหรือเป็นคารวะถ้าเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการดารงชีพเช่นปัจจัยสี่ ควรที่จะสงเคราะห์กันเพราะปัจจัยสีนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีพแม้แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ไปตามจับโจรผู้ร้ายและเกิดการต่อสู้กันยิงยิงผู้ร้ายให้บาดเจ็บก็ยังต้องจับไปหาหมอให้หมอรักษาไม่ได้ปล่อยให้ตายไป และถ้าจับขังอยู่ในกรงในคุกก็ยังต้องให้อาหารต้องให้เขาได้เข้าห้องน้ําห้องท่าได้อาบน้ําอาบท่าเพราะนี่เป็นหลักของมนุษยธรรมเป็นหลักของความเมตตาที่มนุษย์เราขาดไม่ได้ไม่ว่ากับใครก็ตามกับคนดีหรือคนชั่วกับ มนุษย์เลือกกับเดรัจฉานเราพึงที่จะให้ความเมตตาต่อกันเพราะทำให้เราอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขและทำให้เรามีความสุขใจนี่คือการให้อาหารใจส่วนการให้เสื้อผ้าอภรรที่สวยงามกับใจนี้ก็คือการให้ศีลธรรม ให้มีศีลจะเป็นศีลห้าก็ดีศีล8ก็ดีศีลสองก็ดีเหล่านี้เป็นเหมือนเสื้อผ้าอภรรของใจใจจะสวยใจจะงามต้องอยู่ที่ศีลธรรมเหมือนกับร่างกายจะสวยจะงามก็อยู่ที่เสื้อผ้าอภารรที่สวนใส่แต่ความสวยของร่างกายไม่มีต้ำหนักไม่มีความสำคัญ เท่ากับความสวยงามของจิตใจต่อให้เราแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าอภารรท์ที่สวยงามขนาดไหนก็ตามแต่งหน้าแต่งตาแต่งหวีผ้าหวีผมให้สวยงามขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าใจเราไม่สวยงามเสียอย่างเดียวความสวยงามทางร่างกายก็ไม่มีความหมายอะไรไม่มีใครจะชื่นชมยินดี ไม่มีใครอยากจะเข้าคบคาสมาคมไม่มีใครยกย่องสรรเสริญ <c oughs> เพราะความสวยงามที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ใจที่แสดงออกมาทางการประพฤติทางกายและวาจาถ้าวาจาพูดด้วยความสุภาพเรียบร้อยพูดด้วยความจริงพูดด้วยความเมตตาอย่างนี้ฟังเท่าไหร่ก็จะ ไม่รู้สึกทุกใจแต่อย่างใดไม่เหมือนกับวาจาที่ไม่จริงวาจาที่ไม่สุภาพวาจาที่โหดร้ายเหี้มโหดฟังทีไรแล้วก็ไม่สบายใจไม่ยินดีหรือการกระทําที่ <c oughs> ไม่ดีต่ตางๆ <c oughs> เช่นการ การประพฤติผิดประเวณีการลักทรัพย์การฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นการกระทำที่น่ารังเกียจไม่มีใครยกย่องสรรเสริญมีแต่จะประนามผู้ใดที่ทำถดศินมากๆสังคมก็จะต้องแยกบุคคลนั้นให้ออกจากสังคมให้ไปอยู่ในสถานที่กักกัน เพื่อที่จะได้ไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นนั่นเองแต่ผู้ที่ตั้งอยู่ในศีลในธรรมจะไม่ได้ถูกกักกันจะไปไหนมาไหนอยู่กับใครที่ไหนก็จะมีแต่ผู้ที่เขายินดีต้อนรับยินดีที่จะคบค้าสมาคมยินดีที่จะยกย่องสรรเสริญเพราะเป็นผู้ที่มีความสวยงามที่แท้จริง ดังนั้นขอให้เราอย่าไปหลงกับการทำความสวยงามให้กับร่างกายมากจนเกินไปบางทีหมดเงินหมดทองไปมากมายซึ่งไม่ได้มีความ <c oughs> ไม่มีคุณประโยชน์แต่อย่างใดไม่เหมือนกับทุ่มเทเ ว, เวลาให้กับการ ดูแลรักษาความสวยงามของจิตใจด้วยการพยายามรักษาศีลห้าไว้ให้ได้พยายามไม่กระทำละเมิดศีลต่างๆเช่นไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดไม่เสพสุรายามเมานี่เป็นการกระทำที่จะทำให้เรา เป็นคนสวยงามระหว่างคนที่เสพสุรายาเมากับคนที่ไม่เสพเราก็จะรู้ว่าเป็นอย่างไรคนที่เสพสุรายาเมาจนเกิดอาการมึนเมาก็จะเป็นคนที่ไม่มีคนอยากจะเข้าใกล้เพราะการกระทาการพูดจะไม่เรียบร้อยไม่สวยงามไม่เหมือนกับคนที่ไม่ได้เสพสุรายาเมา จะมีสติสัมปชัญญะที่สามารถควบคุมการกระทาทางกายทางวาจาให้สุภาพเรียบร้อย <c oughs> นี่คือความสวยงามของจิตใจที่พวกเราต้องพยายามเสริมกันอยู่เรื่อยๆเสริมสวยความสวยงามทางด้านจิตใจส่วนความสวยงามทางด้านร่างกายไม่ต้องไปเสริมมาก เพียงแต่อาบน้ำอาบท่าให้สะอาดรือผ้าวีผมไม่ให้ยุ่งเหยิงก็พอแล้วไม่จำเป็นจะต้องใช้เครื่องสำอางใช้น้ำหอมอะไรต่างๆ <c oughs> มันไม่ได้ทำให้เราสวยงามขึ้นมาแต่อย่างใดแต่อาจจะหลอกคนที่คนโง่เขาเบาปัญญาคนที่ไม่รู้จักแยกแยะว่าความสวยงามที่แท้จริงอยู่ตรงไหนก็ได้ แต่ก็หลอกเขาได้ไม่นานเพราะเมื่ออยู่กับเขาไปเรื่อยๆแล้วต่อไปเขาก็จะเห็นความไม่สวยงามทางจิตใจของเราเองคือการพูดของเราก็จะไม่สุภาพไม่พูดความจริงการกระทาของเราก็ไม่ไม่ซื่อสัตย์รักเล็กขโมยน้อยเสพโซลายามเมาแล้วก็สร้างปัญหาต่างๆขึ้นมา เขาก็จะไม่หลงเหมือนกับครั้งแรกๆที่พบเราเพราะเขาเห็นเพียงแต่ร่างกายของเรายังไม่เห็นใจของเราในเบื้องต้นเวลาพบกันใหม่ๆก็จะรู้จักหน้าจากตาแต่ไม่รู้จักใจแต่พอคบกันไปเรื่อยๆอยู่ใกล้ชิดกันมากเท่าไหร่ก็จะเห็นใจขึ้นมาตามลาดับ แล้วถ้าใจเราสวยหรือไม่สวยก็จะปรากฏให้เขาเห็นไม่มีทางที่เราจะเ ส, เสแสร้งหรือปุกปิดได้เพราะใจเราเป็นอย่างไรมันก็จะแสดงออกมาทางกายและทางวาจาดังนั้นเราจึงต้องพยายามรักษาใจของเราให้สะอาดให้สวยงามไว้ด้วยการรักษาศีลให้ได้อย่าง สม่ำเสมออย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะอยู่ต่อหน้าหรืออยู่รับหลังเราควรที่จะรักษาศีลไว้เสมอเพราะศีนี้เป็นคุณเป็นประโยชน์กับจิตใจของเรานอกจากทำให้จิตใจสวยงามแล้วยังเป็นเหตุที่จะทำให้จิตใจได้ไปเกิดในสุขติไม่ต้องไปเกิดในอบาย ถ้ามีศีลห้าครบถ้วนบริบูรณ์เช่นพระโสดาบันแล้วจะไม่ต้องไปเกิดในอบายอีกต่อไปถ้ารักษาศีลห้าได้ยังไม่ครบถ้วนบริบูรณ์ก็ยังต้องมีโอกาสที่ไปเกิดในอบายอยู่บ้างมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่ที่ว่ารักษาศีลห้าได้มากหรือน้อยเพียงไรถ้ารักษาศีลห้าได้มากโอกาสที่จะไปเกิดในอบายก็มีน้อย ถ้ารักษาศีลห้าได้น้อยโอกาสที่จะไปเกิดในอาบายก็มีมากนี่คืออา น, นิสงส์ของการดูแลรักษาใจของเราด้วยศีลธรรมให้สวยงามและให้ได้ไปเกิดในสุขติส่วนการชําระจิตใจของเรานี้ก็เป็นสิ่งที่จําเป็นเพราะจิตใจของเรา จะมัวหมองจะเศร้าหมองไม่สดชื่นเบิกบานก็เพราะเรามีสิ่งที่เศร้าหมองอยู่ภายในจิตใจสิ่งที่เศร้าหมองนี้เรียกว่ากิเลสกิเลสแปลว่าเครื่องเศร้าหมองเป็นตัวที่ทำให้จิตใจของเราไม่สบาย อ, อกไม่สบายใจไม่สดชื่นไม่เบิกบานเวลาใดที่เรามีความรู้สึกเศร้าหมอง แสดงว่าเวลานั้นเรากำลังถูกกิเลสครอบงำจิตใจของเราทำให้เรามีความซึมเศร้ามีความไม่เบิกบานในจิตใจถ้าเราชำระกิเลสอยู่เรื่อยๆแล้วใจของเราจะมีความซึมเศร้าน้อยลงไปจะมีความสดชื่นเบิกบานมีความสุข มากขึ้นไปเรื่อยๆดังนั้นเราจึงต้องพยายามชำระความโลภความโกรธความหลงอยู่เรื่อยๆด้วยการเอาธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติกับกายวาจาใจของเราเพราะธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นปัญญาที่จะไปทำลาย หรือกับจัดความหลงซึ่งเป็นความเห็นผิดเป็นชอบนี้ให้หมดไปถ้าความหลงหมดไปเมื่อไหร่ความโลภ ก, ก็จะหมดตามไปความโกรธก็จะหมดตามไปเพราะความโลภนี้เกิดจากความหลงเวลาเราหลงเราเห็นอะไรแล้วเราอยากจะเราเห็นว่าดีเราก็จะอยากได้ขึ้นมา เมื่อเราอยากได้แล้วเราก็พยายามที่จะเอามาเป็นของของเราแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้หรือมีใครมาขัดขวางไม่ให้เราได้ในสิ่งที่เราอยากได้เราก็จะเกิดความโกรธขึ้นมานี่เป็นการกระทำของกิเลสออกมาจากความหลงเป็นต้นเหตุใหญ่ แล้วก็ส่งไปสู่ที่ความโลภแลกความโกรธต่อไปแต่ถ้าเรามีปัญญาคือคำสอนของพระพุทธเจ้ามาสกัดความหลงมากำจัดความหลงความหลงก็จะไม่สามารถทำให้เกิดความโลภได้เมื่อไม่มีความโลภ ก, ก็จะไม่มีความโกรธตามมาดังนั้นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน จึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งที่เราควรที่จะนำเอาไปปฏิบัติเช่นสงสอนให้เรารู้ว่าไม่มีอะไรในโลกนี้เป็นสิ่งที่น่ายินดีน่าเอามาเป็นสมบัติเพราะเขาไม่ได้ให้ความสุขกับเราอย่างแท้จริงนอกจากไม่ให้ความสุขที่แท้จริงแล้วยังให้ความทุกข์กับเราด้วยไม่ว่าเรามิได้อะไรมา เราก็จะดีใจมีความสุขในระยะเริ่มแรกแต่ต่อไปใจของเราก็จะมีความทุกข์ที่เกิดจากความกังวลที่เกิดจากความหวงแหนที่เกิดจากความห่วงใยในสิ่งที่เราได้มาครอบครองและเมื่อสิ่งที่เราได้มาครอบครองนี้จากเราไปเราก็จะต้องทุกข์กับความเศร้าโศกเสียใจ ร้องห่มร้องไห้นี่เป็นเพราะใจเราไม่ได้มีปัญญาคอยสอนนั่นเองพอเราเห็นอะไรเราก็นึกว่าดีขึ้นมาพอนึกว่าดีก็เกิดความโลภอยากจะได้มาพอได้มาแล้วก็ต้องมาคอยดูแลรักษาคอยกังวลคอยห่วงใยคอยห่วงแหน และเมื่อต้องสูญเสียไปก็ต้องเศร้าโศกเสียใจร้องห่มร้องไห้นี่เป็นชีวิตของพวกเราเป็นอย่างนี้ทุกวันนี้เรามีความห่วงมีความหวงแหนมีความกังวลมีความเศร้าโศกเสียใจเพราะเรามีสิ่งต่างๆที่ไม่ไม่อยู่กับเราไปตลอดสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่นี้ ไม่ช้าก็เร็วต้องจากเราไปหรือไม่ฉะนั้นก็ต้องเปลี่ยนไป <c oughs> เวลาจากเราไปหรือเวลาเปลี่ยนไป <c oughs> ก็ทาให้เรามีความทุกข์ใจถ้าเรามีปัญญาคอยเตือนคอยสอนใจแล้วใจเราจะไม่อยากได้อะไรใจเราจะอยากจะอยู่ตามลำพังเพราะการอยู่ตามลำพังนี่แหละ เป็นความสุขที่แท้จริงไม่ต้องทุกกับเรื่องราวต่างๆไม่ต้องทุกกับคนนั้นกับคนนี้ไม่ต้องทุกกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ <c oughs> ดังนั้น <c oughs> จึงขอให้เรา <c oughs> <c oughs> พยายามชำระใจของเราชำระกิเลสคือความโลภความโกรธของเราความหลงของเราด้วยการนำเอาธรรมะ คำสอนของพระพุทธเจ้ามาสอนใจเราอยู่เรื่อยๆพยายามฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆ เ, เมื่อฟังแล้วก็ขอให้นําเอาไปปฏิบัติเพราะพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้จะสอนให้เรามีหูตาสว่างจะสอนให้เราดําเนินชีวิตของเราไปในทิศทางที่ดีที่งานที่สุขที่จเจริญโดยถ่ายเดียว เมื่อได้ยินได้ฟังแล้ว <c oughs> ก็ต้องนำเอาไปทบทวนเอาไปคร้ครวนเอาไปพิจิตรพิจารณาอยู่เรื่อยๆไม่ใช่สักแต่ว่าฟังที่ศาลานี้แล้วพอออกจากศาลานี้ไปก็ลืมไปหมดจาไม่ได้เลยว่าวันนี้ได้ยินได้ฟังอะไรบ้า ง, างต้องเอาไปคิดต่อเอาไปเตือนตนอยู่เรื่อยๆเพราะไม่เช่นนั้นแล้วพอไปทำอะไรไปทำอย่างอื่น เดี๋ยวเรื่องอื่นก็จะมากลกเรื่องที่เราได้ยินได้ฟังอยู่นี้แต่ถ้าเราเอามาเตือนใจอยู่ด้วยว่าเรามีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาใจของเราด้วยการทำบุญให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการฟังเทศฟังธรรมด้วยการสอนใจไม่ให้หลงให้ยึดให้ติดให้อยากได้สิ่งต่างๆในโลกนี้เพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่วิเศษวิโส ที่ดีจริงๆที่ให้ความสุขจริงๆแต่มีแต่จะให้ความทุกข์กับเราอยู่ตลอดเวลาคอยเตือนสติคอยสอนใจอย่างนี้อยู่เรื่อยๆเวลาเห็นอะไรอยากได้อะไรจะได้ระ ง, งับดับได้ถ้าต้องการอะไรก็ให้หามาเพราะความจำเป็นอย่าหามาเพราะความไม่จำเป็นคือถ้าต้องมีสิ่งนั้นสิ่งนี้เพื่อการทำมาหากิน ก็หามาได้ต้องมีสิ่งนั้นสิ่งนี้เพื่อดูแลรักษาอัตภาพร่างกายให้อยู่อย่างสุขสบายก็หามาได้แต่ถ้ามีพอพอประมาณแล้วพอเพียงแล้วก็ไม่ควรหามาเพิ่มอีกมีเสื้อผ้าพอใส่แล้วก็อย่าไปซื้อมาใส่ใหม่ <c oughs> ใช้ของเก่าให้มันขาดก่อนให้มันใส่ไม่ได้ก่อนแล้วค่อยซื้อของใหม่มาทดแทน นี่คือการหามาด้วยความจำเป็นถ้าหามาด้วยความจำเป็นแล้วจะไม่เป็นกิเลสจะไม่เป็นความโลภแต่ถ้าหามาด้วยความไม่จำเป็นคือมีพอเพียงแล้วแต่ยังอยากได้เห็นว่าสวยอยากจะซื้อมาใส่อย่างนี้เรียกว่าหามาด้วยกิเลสก็จะมาสร้างความทุกข์ให้กับเราเพราะจามันจะไม่รู้จักคำว่าพอ แล้วก็อยากจะซื้อมาหามาใหม่อยู่เรื่อยๆแล้วก็ต้องทำให้เราต้องไปดิ้นรนหาเงินหาทองเพื่อมาซื้อข้าวซื้อของต่างๆแล้วก็จะทำให้เรารักษาศีลลาบากเวลาหาเงินหาทองเราก็มักจะ <c oughs> อยากจะได้ทุกวิถีทางก็ไม่อยากจะรักษาศีลเพราะรักษาศีลแล้วจะทำให้การหาเงินหาทองไม่คล่องแคล่วนั่นเองเราก็จะ หลงไปกับความหลงแล้วเราก็จะเกิดความโกรธขึ้นมาเวลาเราทำอะไรแล้วไม่ได้ดังใจของเราเราก็จะมีความทุกข์ความวุ่นวายใจต้องไปทะเลาะวิวาทไปมีปัญหากับคนนั้นคนนี้จนทำให้เราอยู่กับใครไม่ได้คบกับใครไม่ได้ทั้งหมดนี้เกิดจากความหลงเกิดจากการไม่นำเอาคาสอนของพระพุทธเจ้า มาคอยเตือนเราอยู่เรื่อยๆนั่นเองดังนั้นจึงขอให้ท่านจงให้ความสำคัญต่อการทำนุบารุงดูแลรักษาจิตใจของท่านมากยิ่งกว่าการทานุดูแลรักษาร่างกายของท่านเพราะใจนี้มีความสำคัญมีคุณค่ามากกว่ากายและใจนี้เป็นสิ่งที่ต้องอยู่กับเราไปตลอดไม่มีวันตายกายนี้ต่อให้รักษาดูแล ให้ดีอย่างไรก็ตามสักวันหนึ่งเขาก็ต้องจากเราไปนี่คือหน้าที่ของเราขอให้เราปฏิบัติกันอย่างสม่ำเสมอด้วยความศรัทธาด้วยความขยันหมั่นเปลี่ยนด้วยความอดทนเพื่อประโยชน์และความสุขที่จะเกิดขึ้นกับเราต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอขุศสผลบุญที่ท่านได้มากระทำกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญทั้งทางกายและทางใจโดยทั่วหน้ากันเทอ